ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกัมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกนาวันก่อนได้พูดมาถึงในลักษณะที่คนมือไวและก็ัยใหญ่ความจ ร, ริงลักษณะมือไวนี่มีสามลักษณะด้วยกัน ก็ไวเล็กไวกลางแล้วก็ไวใหญ่ถ้าว่าเพื่มือไวเล็กก็ลักเล็กลักน้อยขโมยเล็กขโมยน้อยโกงเล็กโกงน้อยถ้ามือไวกลางก็หมายถึงว่าลักลักมากขนาดกลางกลางยังมีเงินสิบล้านสองล้านใจก็แบกไปหมดมีรถแทต็กตอร์มีรถยนต์มีผ้ามีเครื่องเพชรนิ่งจินดาใจก็แบ ก, กบไปของที่มีค่า ดีไม่ดีก็จับเอาค่าไทยอย่างนี้ด้วยว่าเป็นไวเป็นมือไวกลางมือไวใหญ่ก็หมายความมารวบรัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งประเทศของคนทุกคนมาไว้อำนาจเป็นส่วนกลางแ <c oughs> ปอหน้าส่วนกลางแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กันกินเปน็นอันว่าความมือไวทั้งสามราการนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ตระเน้นชอบโดยไหมว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นของไม่ดีทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินเขาแต่ละบุคคลที่จะพึงหามันได้แสนลาบากยากหินไม่จะหาได้น้อยเขาก็มีความสุขน้อยหาได้มากเขาชับใจใช้สอยมากก็มีความสุขมาก แต่ว่าทั้งประเทศไทยนี่คนหาไม่ได้เลยไม่มีได้สำรวจโรงแรมแม้แต่อยู่ในประเทศเขตปลายแดนที่ทางฝ่ายราชการนั่งเข้าไม่เคยถึงแล้วาบางทีก็เข้าไปถึงซะเลยก็มีเพราะปรากฏว่าเคยถามบรรดาประชาชนงหลายเหล่านั้นว่าเคยมีข้าราชการมาเยี่ยมมาเยือนไหมเขาบอกก็ไม่เคยเห็น เขาไม่เคยเห็นน่ยบางทีท่านได้การชั้นผู้ใหญ่ชั้นคนน้อยถ้าอย่าไปแต่เขาไม่เห็นก็ได้เป็นอันไรเห็นหรือไม่เห็นเว่าทางไราการก็ไม่เคยเข้าไปพบกับเขาแต่เขาต้องหลเหล่านั้นก็มีความอยู่ในความเป็นสุขทําไร่บ้างทํานาแต่เพียงเล็กน้อยพื่อข้าวพอกินทําไร่ก็ไม่มากนักเพียงข้าวพอกินพอใช้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 แล้วก็นาต่างก็ไม่มีไม่จำเป็นจะต้องทำาพราะอากาศโปร่งสบายทรัพย์สินมั่งหลายที่หามันได้กวางกันเกลื่นกระลัดถามว่าของเคยหายไหมเขาบอกก็ไม่เคยหายถามเรื่ความสุขสบายเขาตอมีความสุขดีเครื่องแต่งเนือแต่งตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีผ้ากันกระไชิ้นสองชิ้นเขาก็มีความสุข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 งานชิ้นไหนถ้าหากว่าไปงานต้องรับเหมาเหมาให้ผู้รับเหมาทํางานชิ้นนั้นถ้ามันหลายราคาแพงมากถ้าหากว่าซื้อของมามาซื้อเองซื้อวัตถุ ก, ก่อสร้างมาเองแล้วก็จ้างช่างมาทําการก่อสร้างจ่ายแต่ค่าแรงงานค่าวัตถุหาเอง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 รายการที่สามเกรงว่าจะไม่ทันเวลาถ้าจ้างก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไว้เพราะว่าถ้าทําลงไปแล้วถ้าไม่ไม่ทันจะเวลาก็อาจจะถูกปรับแล้วดีไม่ดีลูกจ้างที่มาจ้างทํางานก็อาจจะขึ้นราคาก็ได้ก็ต้องตั้งราคาเผื่อเข้าไว้โดยการต่อไปนั่นก็คือคนคุมงาน ต้องตามใจท่านเขาบอกว่างานประเภทนี้เงินประเภทนี้ตั้งงบประมาณไม่ได้ด้วยเงินตามใจท่านนี่โดยการต่อไปขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นความจําเป็นเพราะนว่า ง, งานเหมากับงานที่ควบคุมการก่อสร้างเองทูกกวัวกันมากแล้วก็ดีกว่ากันมาก ทีเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความมือไวเป็นสำคัญใครเป็นผู้มือไวก็ต้องคิดกันไปดูคาว่ามือไวในที่นี้ก็หมายความว่าของนะั้อาจจะไม่ทรงราคาก็เพราะว่าสถานาการณ์ของบ้านเมืองบีบบังคับเขาต้องเสียภาษีอากรภาษีก็มีอยสองประเภทที่เขาคุยให้ฟัง ประเภทตามกฎหมายแล้วกะประเภทนำกฎหมายเขาบอกว่าภาษีประเภทตามกฎหมายนี่เขาไม่หนักใจแต่ว่าหนักใจประเภทภาษีประเภทนำกฎหมายเพรว่ากฎหมายยังไม่มีแต่ว่าต้องเสียนี่ถ้าหากว่าประเภทนี้ไม่มีความมือไว้ไม่มี กามเจริญมันก็จะรุ่งเรือง ม, มากไปกว่านี้อาคารที่สร้างไปแล้วหนึ่งหลังเท่ากับสองหลังถนนที่สร้างไปหนึ่งสายนี่ขอพูดตามข่าวนางสุพิมเขาบอกว่าแต่ละสายละสายจ่ายเงินมากเกินไปเพราะว่ามีประเภทมือไวเข้าไปผปสมเ้าว่าอย่างนั้นเป็นข่าวแน่ดีที่นานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันเนี่จะแก้ไขแล้วก็ได้นี่ทางพุทธาศาสนาน์สมัยังถือว่าถ้าใ จ, จเจริญแล้วก็ที่ก็จเจริญมากใ จ, จเจริญไปยังไงใจก็ไม่ละโมบโลบมากไม่คดไม่โกงสิ่งอะไรกั น, กนไม่ลักไม่ขโมยสิงยออยงยง่งอะไรกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินสิ่งอะไรกันอะไรแค่ไหนว่ากันแค่นั้นเป็นนั้นว่าก็จะมีความจเจริญพอ ก็จะเริญยิ่งกว่านี้มากที่บอกว่าจะริญยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายความปัจจุบันนี้มีคนโกงมีคนรักมีคนขโมย ม, มาก <c oughs> เพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีในปัจจุบันมีมาตั้งแต่อดีตใ <c oughs> นาอาดีตนี่ฟังขา่าแนงสือพิมพ์อยู่เสมอประเภทมือไว รู้ว่าบางทีท่านนังไหลเหล่านั้นเป็นผู้ออกกฎหมายเองเป็นผู้ควบคุมกฎหมายเองสามารถจะลงโทษบุคคลอื่นได้เองแต่ถ้าว่านุกสื่อิมพ์เขาก็กลับลงข่าวว่าท่านนังหลเหล่านั้นกลับถูกกฎหมายเล่งงานซะเองและผลดีปรากฏก็คือถูกลงโทษตามกฎหมายที่วางไว้ ไม่เป็นอันว่าจิตใจของท่านพวกนั้นไม่ได้เจริญไปตามรอยที่พระพุทธศาสนาส่งสอนถ้าหากว่าจิตใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีความเจริญตามศาสนาสอนแล้วอาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ปรากฏการถูกลงโทษในฐานะที่ตัวมีอำนาจมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษเขาแต่งตั้งไว้ให้ลงโทษคนอื่นไม่ใช่ลงโทษตนเอง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 ว่าถ้าเหมาต้องตาตรางมิตรเท่านั้นเวลาสร้างจริงๆจะสร้างเฉพาะแรงรงานเข้ามาแล้วก็ซื้อวัตถุ ก, ก่อสร้างเองโรงสูงกว่านั้นทําสูงกว่านั้นเป็นอันว่าของที่สร้างลงไปราคามันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นยังได้ถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าเกรงพวกนํากฎหมาย ที่แพงเนี่ยแพงเพราะการนำกฎหมายเป็นสำคัญแล้วก็บอกการประมูลก็ต้องเผื่อไว้เกรงว่าของเยอะขึ้น <c oughs> เป็นอันว่าถ้าประเภทมือไวไม่มีในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราไม่คบกับการมือไวคนมือไวมีที่ไหนเราไม่คบและจิตใจของเราก็ไม่คบความให้เป็นผู้ในฐานะที่ต้องการความเป็นผู้มือไว เป็นนั้นว่าคนทั้งโลกต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทนิยตสิ่งอะไรกั น, กนไม่คดกรงสิ่งอะไรกั น, กนไม่ลักไม่ขโมยสิ่งอะไรกั น, กนไม่ยื้อย่างทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยที่จะของเขาไม่เต็มใจจะให้ถ้ า, าการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกอะไรจะดีขึ้นบ้าง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 ทำให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยชั่วคราวเรียกว่าจะนานก็ได้แข็งแรงก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องมุงบังมากนะักเขาไม่ต้องเกรงขโมยขจนุนการที่เกรงว่าเขาจะมาลักจะมาขโมยสิ่งของที่มีอยู่นั้นทำให้ต้องลงทุนมากสร้างห้องเก็บของก็ให้แข็งแรงทำรั้วกาแพงก็ต้องให้แข็งแรงประตูนอกประตูในต้องแข็งแรงอันนี้ลงทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ แต่ระ้วประตูต้องมีกุญแจกุญแจดอกหนึ่งราคาเท่าไรเอาเฉพาะในประเทศไทยคน่43ล้านคนถ้าบังเอิญจะมีบ้านสักหนึ่งล้านหลังเฉพาะกุญแจดอกเดียวถ้าดอกละห้าบาทเราก็ต้องเสียเงินไปเปล่าห้าล้านบาทถ้าใช้กุญแจหลายดอกก็เพิ่มมากกว่านั้น ถ้าต้องใช้ตู้ใช้เซฟเก็บของเพราะเกรงว่าขโมยจะลักตู้หรือเซฟนี่ราคาแพงมากก็ลองคิดปริมาณเพิ่มขึ้นไป <c oughs> การสร้างรัว้วสร้างกำแพงใหญ่ๆปิดบงังก็เพราะเ ก, งกรงขโมยกระโจรลงทุนเท่าไหร่เราก็จะต้องเสียเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คอยป้องกันภัยและลงโทษคนที่จะลักจอขโมยกรมตำรวจจ่ายเงิน ตั้งงบประมาณปีละเท่าไรกรมอายการจ่ายมีเงินปีละเท่าไรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินปีละเท่าไรเพราะนั้นว่าเราต้องจ่ายมากไปกว่านั้นจ่ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเพราะนั้งบประมาณประจำปีทั้งหมดที่จ้างขึ้นมานี่ก็เพราะว่า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 เราจะจ่ายเท่าไหร่เรือนจําแต่ละแห่งถ้าลงทุนเท่าไร่ค่าใช้จ่ายในนั้นทั้งหมดปีละเท่าไรถ้ามันเป็นสิบปีเป็นร้อยปีขึ้นมาต้องจ่ายเท่าไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่นายกและธรรมีขึ้นมาลงมาถึงแม้พูดตั้งแต่ถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ต้องมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนดีเสมด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 เพราะว่าของที่ซื้อกันไปซื้อกันมาไม่ต้องเสียภาษีเจ้าสจเสียไม่ให้ใครว่าภาษีนี่เขาเอาไปจ้างคนที่มาควบคุมเราแล้วก็จ้างคนที่เอาเงินค่าภาษีก่อนทั้งหมดมาสร้างถนนทุนทางให้กับพวกเราแ เ, เงินจนํานวนนั้นมันก็ต้องจ่ายแพงเกินกว่าปกติเพราะว่าต้องเหมา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 แต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับนับถือหรือว่ายอมรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายมานั่งดูนั่งคิดดูกันแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจช่วยจริงๆริงว่าถ้าหวังผลประโยชน์ของท่านแล้วก็หมายความว่าถ้าบวชเข้ามามันจะดีก็มีความเป็นสุขก็ใาสา่ชาวบ้านเขาหากินกินข้าวของชาวบ้าน ที่อยู่ชาวบ้านสร้างให้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านเป็นลูกของกษัตริย์แม่ท่านก็เป็นกษัตริย์ด้วยท่านจะต้องอาศัยที่ชาวบ้านเขาให้กินท่านเป็นกษัตริย์ดีกว่าเพราะว่ากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากในสมัยนั้นมีอำนาจเต็มที่มีความเป็นอยู่ดีกว่ามาบทเป็นพระต้องนอนกลางรินกินกลางทราย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 แล้วเขาก็บอกว่าพระบวชเข้ามานี่ทาให้เศรษฐกิจยับเยินไม่ได้เสียภาษีเสียก่อนไม่ได้สร้างความเจริญไม่ได้ช่วยประเทศชาติสาหรับผู้พูดเองก็ไม่มีความเข้าใจนะักเรื่องของพระของสองฆ์ของท่านก็ไม่ค่มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกล่าวกันอย่างนั้นจริงๆจะมองกันูอุกที ก็มีพระเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้นอย่างสมัยก่อนด้านเหนือก็มีครูบาสีวิชัยนี่ท่านก็ทำถนนหุนทางแม้แต่ขึ้นดอยสุเทพท่านก็ทำเวลานั้นรัฐบาลยังทำไม่ได้ท่านก็ทำได้แม่ยังหลวงปู่ชุ่มปาสาธิโกวัดบางมุย ทางขึ้นไปดอยตุงซึ่งเป็นทางระยะไกลตั้งสิบเจ็ดกิโลท่านก็เป็นผู้บุกเบิกบุกเบิกเป็นคนแรกการทำทั้งสองท่านนี้ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายทองอาศัยแรงศรัทธาของรบรรดาประชาชนช่วยกันทําท่านไม่มีงบประมาณจะได้ทําก็ไม่มีใครเขาให้งบประมาณหากว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าพระทั้งหลายยังช่วยประเทศชาติไม่พอ ก็น่าจะทำได้ถ้าใช้การขอร้องกัมมันดาพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมให้วัดแต่ลวัดเข้าประสายงานกับทางรัฐบาลได้เป็นไปไดโดยธรรมตามพระธรรมวินยัยถ้าไปขอร้องท่าเกินพระธรรมวินัยนี้พระก็ทำไม่ได้ความจริงพระท่านทได้เยอะ เพราะนั่งติดต่อกับประชาชนได้ดีเพราะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอยู่แล้วแต่ถ้าว่าทั้งนี้ก็ต้องขอใร้ดาพระผู้ใหญ่ท่านเลือกพระสักหน่อยหนึ่งเืออคนที่จะเข้ามาเป็นพระแล้วก็ปกครองวัดขอให้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้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 ถ ต, ต่างวัดต่างช่วยกันทำแบบนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เพาประมาณรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายมากความจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองก็จะมีขึ้นถ้าจะถอยหลังจากนี้ไปประมาณถสามสิบปีเศษเจเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลท่านมีความฉลาดหรือว่าท่านจะโง่กว่าสมัยนี้อาตมาก็ไม่ทราบนะ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 ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนผ่านจงคบแ ต, ต่บัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีมีปัญญามีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าโลกปฏิบัติได้รับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่ทรงแนะนำไว้ขอท่านนั้นหลายจนช่วยกันคิดว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือ ว, ว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ ความจริงเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของบัณฑิตและพานนี่ยังไม่จบยังมีอีกมากแต่สาหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนนก่อจะลาก็ขอท่านหลายผู้ฟังฟังแล้วก็คิดด้วยช่วยกันคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทิรากาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาช่วยโลกแล้วได้อย่างแล้วใหชาวโลกรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาแล้วก็อย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี